พวกเราพวกเราก็คงจะเอานั่นถอดที่ท่านแสดงอยู่ที่วัดของเราเนี่ยก็คงจะออกไปเป็นระยะๆะะเหมือนกันอันไหนที่ควรจะออกได้นะ <c oughs> ที่ท่านมาเขหลายครั้งหลายหนหลายปีพอมาองหลวงตาพอมาออมาถึงวัดเรา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 ลงตาอย่างนกอเอ า, าเอา ไ, อา ไ, ไก่ย่างมาท่านก็เอามาแล้วก็กท่านก็บี้บี้บี้เล็กๆในน้อยเป็นนั่นแหละท่านก็แจกให้พวกพดแดงอพดแดงก็ลุ้มเอาเงินเลยเหมือนกับอาหารทิพเกิดกับพวกเราแล้วลักษณะอย่างนั้นะท่านเห็นท่านก็หวัวเราะท่านเห็นพวกมดแดงกินพวกไก่ย่างที่ท่าน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 สรุแล้วก็คือท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้มีเมตตาไปนะสถานที่ใดเห็นอะไรพอที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้ท่านก็สงเคราะห์นี่แหละจากนั้นพอมาถึงเสร็จแล้วท่านก็นะัขึ้นมาก็เราก็เตรียมอาสนะที่พักผ่าอาศัย ท, ที่ท่านจะพักตาว่าท่านพักผ่อนมาแล้วนะ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 เรากลัวท่านเกินไปแต่ก็เราก็ไม่กล้าเสียงฮะถ้าเสียงเข้าไปถ้าเสียงโป้งป้างเข้ามาเนี่ยวัดนี้เราจะไม่มาเย็บหรือทำไมยุ่งนักเราก็กลัวอย่างงั้นอีกเหมือนกันฮะ เ, เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอยกล้ากลัวๆพอมาช่วงหลังๆเนี่ยท่านปล่อยฮอยไปที่ไหนท่านก็เปิดให้ใครๆอัดเทปท่านก็พูดทิศไปที่ไหนท่านก็อัดเสียงของท่าน เราคืยังได้กล้าขึ้นมาแล้วก็ได้อัดเสียงโค้งสุดท้ายเฮ้ที่ท่านอายุมากแล้วแต่ว่าช่วงก่อนที่ท่านมาใหม่ๆน่าเสียดายน่าเสียดายธรรมเทศนาขององค์หลวงตาในชุดนั้นนะแต่ที่ยังไงเราก็ยังมีอยู่ m p ็มพีสตัวเทปที่เราอัดไว้เพราะนั้นคราวนี้ก็ได้ยินว่าคณ ะ, ะในช่าง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 หูก็เช่าหูหมอกขางฮะเออไม่ใช่หูสติไม่ใช่หูปัญญาเนีเออเป็นหูหมูหูหมาหูช้างไปอย่างงั้นแหละเออมันก็มีหูเหมือนกันแต่มันฟังแล้วมันไม่ได้สติไม่ได้ไม่ได้ปัญญาอะไรถ้าหูปลาดนะหูนักปลาดหูบัณฑิตนะได้ยินเสียงอะไรมาก็ฟังฟังแล้วก็แยกแยะเออแลก็สู้สู้สังรัตเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา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 เออไม่ใช่ว่าเดินผ่านโรงเรียนก็จะรู้ได้ทั้งหมดเดินผ่าน <c oughs> มหาวิทยาลัยเราก็จะรู้ได้ทั้งหมดอพอเดินผ่านวัดเท่านั้นแ่ะเอเอเรารู้แล้วละ่ะเขาสอนอะไรเรื่องอะไรเราเดินผ่านวัดแล้วถ้าจะเก่งขนาดนั้นมันจะเป็นไปได้เลยนอกจากโง่เท่นะานั้นจะพูดอย่างนั้นนะ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 เออบางทีมบางเรื่องบางเรื่องางราก็เป็นนิทานโกหกก็มีนะอย่างหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กนะผู้ใหญ่เขาบอกว่าเอยจะไปไล่จับแก่งจับกระจงนะไปยากอะไรปปลายปลายเท้ามันแหลมนะเท้ามเท้าก็มันเห็นัหมมันเล่มแหลมนะเออขาเรียวๆนะเวลาเราจะจับสัตว์พวกนี้นะใบไม้ยามใบไม้ร่วงนะเดือนสามเดือนสี่นะ เดินกุมภามีนาใบไม้ร่วงมากๆานะเราก็เข้าไปไล่เลยไปไล่แก้งไปไล่กระจงนะั่นพอมันวิ่งแรงๆเอยขามันก็ไปเสียบใส่ใบไม้เสียบเสบเสียบเพอในสุดมันเต็มโคนข า, ขามันก็ไปไม่ได้นะลอยลุยเล ย, <laughs> เยเขาก็จับเอาเท่นั่นแหละนะเด็กน้อยทั้งหลายก็อ้าปากบอ่อโอ้ใช่เขาจับง่ายจริงๆจับกระจงจับแก้งนะ